50 languages. 44 4 4 show a c a o ไปเที่ยวกลางคืน Vida nocturna. ที่นี่มีดิสโกเทกไหม h a una discoteca para qué? ที่นี่มีไนท์คลับไหม ที่นี่มีผับไหมอยับกเย็นนี้ที่โงลครมีอะไรแีเอย็นนีที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรเมย็นนี้ที่โทรทัศน์มีอะไรดู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 ดิฉันต้องการนั่งข้างหลังบุยเซอร์ดาลฟอนส์ดิฉันต้องการนั่งตรงกลางบุยเซอร์ดาลมิชดิฉันต้องการนั่งข้างหน้าบุยเซอร์ดาลดาบันคุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหมฮัมป์ต์รักคุณนะอะไรก็นะก็จะบุษเต การแสดงเริ่มเมื่อไร่ n c o m e n ç a l e a s e คุณช่วยซื้อบัตรให้ดิฉันได้ไหม p o d r a entrar? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม h a un c a m p de golf p e r aquí? แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม h a una pista de tenis a prop? แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม